ท่านฟังที่เคารพค่ะท่านอย่ในช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนาค่ะฉันสัน ส, นสนีนาคพงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเราก็มีประสงค์สองรูปรูปแรกผ่านไปแล้วสําหรับพระมาร์ชาคาวาโรวัฒนาปาพง์ตอนนี้ก็จะพาท่านไปพบกับพระอาจารย์เพียบุญอภิปุโนนะคะจากวัดป่าดอนหายโศจกจังหวัดอุดรธานีเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวจนะค่ะนัมรสการางา น, นคะใช่พานค่ะท่านไพียบุญค่ะพูดถึงเรื่องเฉลิมฉลอง สัมพุท ธ, ธชยันตีเนี่ยคะ่ะสองพันหร้อยปีแห่งการระสบิของพระพุทธเจ้าอตอนนี้เขามีบทสรุปออกมาแล้วนะคะว่าจะอย่างไรกันบ้างจะทำอะไรกันบ้างเขาจะทำงไงบ้างเมืองไทยเนาะค่ะ ม, มหาเถรสมาคมอะคะ่ะก็มีมติว่าจะให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ<อ>แล้วก็ทางมหาเถรเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษานายกจะเป็นประธานประหลัดสานักก็เป็นกรรมการเลขานุกการ ของบประมาณจากรัฐบาลงานจะมีสามลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกเป็นเรื่องของการปฏิบัติบูชาเพื่อที่จะส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งระดับครอบครัวและชุมชนเขาจะใช้ที่พุทธมนตรที่ศูนย์การประชุมสริริกิจเมืองทองธานีสยามพารากรอนคือจัดกันใหญ่เลยทางด้านที่สองเป็นวิชาการ จะเป็นการสัมมน า, าเกี่ยวกับพุทธประวัติหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอันนี้ก็จะให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งนันนะคะดาเนินการส่วนกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมเป็นด้านที่สามกระทรวงพัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักกำหนดการก็จะเริ่มตั้งแต่29พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเป็นห่วงเวลาของวิสาขาบูชาค่ะแล้วก็บอกว่าวันที่สองที่พุทธมณฑล จะมีคณะสงฆ์ทั้งไทยและต่างชาตินะคะได้ร่วมกันวางศิลาฤกษ์ อ, อาคารศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกบอกว่าจะเป็นการประกาศการเริ่มต้นการเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกของประเทศไทยแล้วก็จะมีการจัดทําธงตราสัญลักษณ์แจกไปทุกวัดด้วยค่ะวัดท่านทําอะไรเป็นพิเศษไหมคะสามพุทธชยันตีในช่วงเดือนอที่มีการเดือนนั้นอะไรเราก็มีการจัดหลีกเล่น ของเดือนมิถุนาก็ช่วงวันวิสาขพอดีค่ะแล้วก็คิดว่าในในต่างประเทศหรือแม้ในที่อื่นๆเนี่ยเขาก็ทํากันทุกวันเลยนะเอ้ยทากันทั้งเดือนใ น, นสมมติเดือนมิถุนายนอย่างเงี้ยเขาก็ทํากันตลอดเดือนเลยที่วัปดป่าดอนไหส ก, ก็มีการจัดลีกระนวันที่สองถึงวันที่นาปิด9้าวันก็บเอ็ดมิถุนายนนี่ก็เป็นการเฉลิมฉลองออกมาให้เห็นชัดเจน ในวาระโอกาสที่เป็นตัวเลขน่าสนใจ 2,600 ปีตัวเลขกลมๆว่างั้นเถอะนะคะที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาบนโลกรายการของเราค่ะท่านคะจะทำทุกวันเลยนะคะเฉลิมฉลองพุทธชยันตีก็เขเหมือนกันด้วยสาระเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคะว่าพระพุทธองค์นั้นทรงมีชีวิตมาเป็นอย่างไรนะแต่เป็นพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ได้ส่ง ทำอะไรไว้หรือสอนอะไรได้บ้าง<ช>วันนี้ก็เป็นตอนต่อไปแล้วสิคะใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจบกันตรงจุดที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสินใจแล้วว่าจะสอนธรรมะค่ะนะจึงได้จบที่คาถาในะที่ว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราได้เปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีโสดประสาทสัตว์เหล่านั้นจงโปร่งศรัทธาลงไปเถิดนะจบที่ตรงนี้แล้วนี้พระพุทธเจ้าก็มา หลังจากที่ตัดสินใจตรงนี้แล้วรับรองกับสิย์บดีพรมลนะเนี่ยพิจารณาเห็นเหล่าสัตว์โลกเป็นด บ, บัวสเหล่าแล้วเนี่ยก็ได้ม า, านั่งอยู่ยที่แถวๆนั้นอยู่นะยังอยู่แถวๆตมบนอุรุเวลาอยู่ตอนนี้ก็ม า, านั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะนะแล้วก็มีพินิดพิจารณาอยู่ว่าจะสอนเนี่ยจะสอนอะไรดีนะก็มีความระลึก นี้เกิดขึ้นนะบอกว่าอันนี้เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวนะเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำรายรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อทำนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานทั้งสนี่แหละคือหนทางเครื่องไปทางเดียวแล้วนะก็สรุปว่าโอ้จะสอนสติปัฏฐาน4นี่แหละนะพอนึกในใจอย่างนี้ นะนึกในใจอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสามบดีพรมที่มารัตนานอนิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมเมื่อเมื่อก่อนเนี้ยตอนก่อนหน้านี้เมื่อเราพูดถึงสดาที่แล้วนะก็วับมาอีกนะวับมาด้วยความเร็วสูงมากเลยก็มาอนุโมทนากับสมมาสมพุทธเจ้าสมมาลโคดมสามบอกโอ้ยถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในการก่อนนะ่ะในปัจจุบันนี้หรือในอนาคตก็จะสอนสติปัฏฐาน4ี่นี้เหมือนกันนะ่ะว่าอย่างนั้น อันนี้เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะแสดงว่าสามบดีพรมนี่ได้อยู่เป็นพรมมาข้ามพระพรุทธเจ้ามาแล้วน ะ, ะถึงได้รู้ว่าพระพรุทธเจ้าในอดีตก็จะสอนเรื่องนี้เหมือนกันนะสติปัฏานังสี่ะแล้วก็ อ, อ, อันนี้มลท่านต่อเลยค่ะแล้วก็พอนึกเรื่องนี้เนี่ยพระเจ้าเคยพูดไว้อีกอีกที่หนึ่งนะว่าที่สอนเนี่ยนะเพื่อเห็นความจําเป็นของคนบางคนก็หมายว่าคนในโลกเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็นอยู่สามประเภท นคือคนที่มันก็จะเป็นคนดีอยู่ได้นั่นคือจะเป็นผู้ที่มาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้นะไม่ว่าจะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าจะได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ตามนะส่วนอีกพวกหนึ่งพวกที่สองนันคือถึงแม้จะได้เห็นถึงแม้จะได้ยินคำสอนพรพุทธเจ้านะก็เป็นคนดีขึ้นมาไม่ได้จะมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมไม่ได้ค่ะแล้วก็มีประเภทที่สามนันคือต่อเมื่อได้เห็นหรือได้ยินคาสอนของพระพุทธเจ้า นะถึงจะมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมใดถึงจะเป็นคนดีขึ้นมาได้แลนะไม่มีคนประเภทที่สามนี้อยู่พระพุทธเจ้าจึงได้สั่งสอนธรรมะแนะทําให้คนทุกประเภทเนี่ยได้ยินธรรมะคือบางคนเนี่ยคุณยมติ๋วเคยเห็นไหมคนที่มันชั่วชั่วเนี่ยไม่ว่าจะพูดยังไงพูดยังไงทํายังไงกับมันมันก็ยังเลวอยู่นั่นแหละนะนี่คือประเภทหนึ่งใช่ไหมอีกคนหนึ่งประเภทหนึ่งก็จะเป็นคนที่ดีอยู่แลนะไม่ว่ามันจะอะไรอะไรมันก็เขาเขายังดีอยู่ได้ น, น, นี่ก็ประเภทที่สองซึ่งทําให้เราเห็นว่าโอมันมีคนประเภทที่3ามนะคือต่อเมื่อได้เห็นต่อเมื่อได้ยิ น, นคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะถึงจะเรียกว่าเป็นคนดีขึ้นมาได้ทำให้ทุกคนได้ฟังหมดพระคนประเภทนี้แล้วทีนี้หลังจากที่ได้นึกแล้วว่าจะสอนสตรีฐานสี่ใช่ไหมก็เลยนึกถึงว่าเออแล้วจะสอนใครดีะจะสอนใครดี ก็เลยระลึกถึงผู้ที่จะมารับฟังปฐมเทศนานะคือจะมาฟังทำครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ใครดีคอ่อก็เลยนึกถึงเอ้ใครนาะจะมารู้ธรมนี้ได้จะที่เป็นผู้ที่มีอา่าเป็นบัณฑิตนะมีดวงมีทุลีในดวงตาน้อยนะเป็นคนฉลาดนะคือจะพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่มีอินทรีย์แก่กล้ามากั่นเถอะค่ะก็เลยได้นึกถึงผู้ที่เคยเอสอนพระพุทธเจ้ามา ก, ก่อนนั่นะคือ อาราธบทกธรมโคตเนะ่ยน่าจะรู้ถึงน่านนี้แน่นอนกอ็พอคิดอย่างนี้เนะทวดาก็รีบส่งข่าวมาบอกเลยบอกว่าอา้าวอาราธบทกธรมโคตตายซะแล้วเมื่อเจ็ดวันที่แล้วอทีนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นเป็นวิสัยของ อ, อริยะสาวกในธรรมะในนี้รวมถึงพระพุทธเจ้าด้วยนะไม่ว่าใครจะมาบอกอะไรนี่ก็มไม่ใช่เชื่อทันทีนะพระพุทธเจ้าก็ตรวจสอบนะด้วยความรู้ของพระองค์เองก็พบว่าโอ้ อาราม บ, บุตรกัมโค่นนี้ตายไปแล้วจริงๆในเจ็ดวันที่แล้วแม่เสียดายมากๆเลยเพราะว่าถ้าได้ฟังธรรมะนีจะ้จะเข้าใจแน่นอนอ้อไม่เป็นไรเอ๊งี้จะสอนใครต่อไปดีก็พระพุทธเจ้าก็มีวลีนี้นะที่บอกว่าวิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกนะองพระองค์นะคือจิตที่เล่นไปตามนึกถึงใครดีนึกถึงใครดีเนาะเอาก็นึกถึงคนต่อมานะคืออุตตกะผู้รามบุตรนะ ก็ปรากฏว่ามีเทวดาก็รีบส่งข่าวมันบอกว่าโอ้อุทะกาตโมทพึ่งตายเมื่อคือนนี้ฟังกันคนมีวม้วาสนาน้อยหมดเลยนะเนี่ยโอ้โ ห, โโหเสียดายมากๆพระเจ้าโก็ตรวจสอบด้วยนะพระุทธเจ้าก็ตรวจสอบนะ ว, ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆครัโอ้แล้วใครจะมารู้ได้เนา ะ, ะตรงนี้ก็เลยอไปนึกถึงพวกที่เคยอุปถาอุปธรรมพระพุทธเจ้ามานั่นก็นนคือพวกภิกษุห้ารูป ได้อุปถาเราเมื่อกำลังบำเพ็ญความเพียรอยู่เป็นผู้ที่มีอุปการะมากนะเราควรจะแสดงธรรมกับพวกภิกษุทั้ง5รูปนี้ก็ด้วยตาทิพย์ของพระโอเองนะททาให้รู้ว่าพวกภิกษุทั้ง5้านี้กำลังอยู่ที่เมืองพารณสีป่าอิสิปตนะมฤคตยวันอนะนันเป็นที่พักของอพวกเนื้อสายแถนั้นก็เลยพออยู่ตามชอบใจแล้วนะ อยู่ตามชอบใจแถวนั้นแล้วก็ได้หลีกไปแห่งเมืองพราณสีคือได้เดินทางไปเมืองพราณรีละตอนนี้ก็จะเป็นประมาณที่คือในช่วงเวลานี้มี2เดือนตั้งแต่ตอนตรัสรู้เสร็จนะมีสัมมาสัมพุทธะละเมื่อ2600ปีที่ผ่านมานะจนถึงจุดที่ไปพบพีสุทั้งหเนี่ยตรงนี้ช่วงเวลานี้มี2เดือนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตรงนี้เนะี่ยนักวิชาการหลายท่านก็จะตั้งใจว่ า, าบางทีเดินทางเดือนนึงอยู่ที่นี่เดือนนึง นะหรือว่าอยู่ที่แถวๆที่ตรัสรู้เนี่ยสีวันหรือสัปดาห์แล้วเวลาที่เหลือก็เป็นเวลาเดินทางอย่างนี้เป็นต้นนะสิอ็วันอย่างเงี้ยเป็นวันเดินเวลาเดินทางก็ต่างท่านก็จะมีความเห็นต่างๆกันไปอันนี้ก็ที่พุทธวจนะก็ได้พูดไว้ตรงนี้ไม่ได้ระบุลงเลยชัดเจนว่าเดินทางกี่วันอะไรอย่างเงี้ยน ะ, ะทีนี้ระหว่างที่เดินทางไปนะก็ไป ไปพบอุปการชีวก ค, คนหนึ่งคือพวกนักบวชในธรรมวิเนยอื่นๆนะก็ได้เคยสนทนากันว่าเออเป็นสมาสัมพุท ธ, ธเจ้านะอุปการคนนี้อุปการชีวกนี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็แต่งคุณสนากันนิดๆหน่อ ย, ยๆแล้วก็เดินหนีไปคือไม่ได้ฉกฉวยความเป็นสัมมาสัมพุทธะประโยชน์จากความที่พระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะฟังธรรมะได้ก็ไม่ได้ฟังธรรมละ ก็เลยคือหลังจากที่ตัด ส, สินใจว่าแ ส, แสดงทำแล้วเนี่ยเจอคนไหนก่อนก็เจออุปกาชีวกนี้ก่อนแต่ไม่ได้แสดงทำให้ฟังแล้วก็มาเจอพวกบัญจรวาคีห้ารูปซึ่งรายละเอียดตรงนี้มีมากก็จะมาค่อยพูดต่อไปในวันพรุ่งนี้ได้แต่เราได้รู้รายละเอียด<ะ>เพิ่มขึ้นเยอะนะคะท่านเพราะเมื่อก่อนไม่เคยทราบมาก่อนล่ะค่ะว่าก่อนจะพบกับอาราละดาบทนั้นอออขออภัยค่ะ ปัญจวัคคีปัญจวัคทีท่านได้พยายามที่จะสอนคนอื่นอย่างที่ไม่ใช่อาราลาดาบทเมื่อสักครู่ท่านเรียกชื่ออะไรนะคะอราลดาบทกรามโคดไม่ใช่ค่ะเมื่อสักครู่อุตกะผู้รามาบทอ่าอุตกระเนี่ยดิฉันไม่เคยได้ยินชื่อนี้เพิ่งมาได้ยินข่าวเนี้ยค่ะก็อราดาบทอราดาบทดาบทหรือว่าอุตกะดาบทนั่นแหละอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปก่อนที่จะอ่ามาบำเพ็ญอ้ออุทกะอ้อเข้าใจแล้วค่ะ มีวิธีเรียกที่แตกต่างกันใช่อเอ่อก็ในสำนวนตรงนี้พระพุทธเจ้าจะใช้คาว่าอุตกระผู้รามบุตรนั่ยคือเป็นบุตรของพระรามเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกเป็นฉายาของเขาในสมัยก่อนนะอ๋อค่ะท่านคะทีนี้เมื่อสักครู่พอพูดถึงสองรูปที่เป็นอาจารย์สองสองท่านที่เป็นอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าจะสอนแต่นะเกิดเสียชีวิตไปซะก่อน อ, อย่างน่าเสียดายเนี่ยมันมีเรื่อง ชาบ้านชาบ้านโรคโรคธรรมดาเกิดขึ้นในห้วงเวลาไม่นานนี้คิดว่าจะหยิบยกขึ้นมาว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่จริงๆนะคะบางทีกําลังจะมีความสุขอย่างที่ต้องการดีแล้วก็มีอันต้องจากโลกนี้แต่ก่อนหาหนัสึกกินเจอค่ะว่าที่เจ้าบ่าวนะคะ<ร>อไปขอภรรยาก็เลยทําให้พลาดโอกาสในการที่จะไปพบหมอตามนัดเพราะว่าเข้าใจว่านัดขอภรรยาเนี่ยมันสําคัญกว่าขอผู้หญิงมาเป็นภรรยาระหว่างที่อ่า คุณพ่อคุณแม่ว่าที่พ่อตาแม่ยายอืกับแฟนเนี่ยหลังจากสูขอเกษตรเรียบร้อยเขาบอกไปหาพระรถน้ำมนต์ว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยไม่ได้ลงไปพอลงมาจากรถน้ำมนต์เสร็จอะไรเสร็จมาพบเสียชีวิตซะแล้วอยู่ในรถเท่านค่ะอ๋เอเขาเป็นอะไรถึงตายได้ล่ะก็เขาบอกว่าน่าจะเป็นจากเพราะไม่ทานยาไอ้ที่ช่วงที่หมอสั่งให้ไปหาเนี่ย โ, โรคสภาวะโรคแต่กําลังจะ ถามท่านว่าทำไมมนุษย์มันเป็นแบบนี้ล่ะคะความสุขกำลังจะเกิดอยู่แล้วเหมือนอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยถ้ารออีกนิดหนึ่งจะได้พบธรร ม, มกของพระพุทธองค์อีกแล้ว อ, อันนี้จะไม่เหมือนกันอยู่นะคุณจมติว <laughs> คือคืออย่างการแต่างงานเนี่ยบางคนเขาใจ <c oughs> คิดว่าเออแต่างงานแล้วแฮปปี้เอนดิ้งแล้วจบละนังหลายเรื่องก็จะลักษณะนี้แต่ว่าแต่างงานนี่มันก็มีเซตของปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนะ หรือว่าแต่งงานอย่างไรก็ตามถ้าคุณแต่งเพราะเรื่องของการอันนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้าคุณแต่งเพราะว่าความที่เห็นคุณทําอะไรในอีกบุกคคลหนึ่งอันนี้ก็จะโอเคอยู่ทีนี้ว่าในมาเปรียบเทียบกับในกรณีของอุจจาระผู้รำมบุตรกับอรดา บ, บุตรการมโคดเนี่ยทั้งสองท่า น, นก็มีอายุไขัของท่านนะนะแล้วทีนี้ว่าคือการที่จะได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยจะทําให้ท่านสามารถหลุดพ้นจากสังสารวัตรได้เนี่ย อันนี้เป็นประโยชน์ใหญ่หลวมากทีนี้พอพลาดไปเนี่ยก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ท่านก็จะไปเกิดในภพใหม่ใช่ไหมพอเกิดในภพใหม่แล้วหลังจากมาเป็นคนอีกทีหนึ่งเนี่ยหรือมาเจอพระพชทธเอีกครั้งหนึ่งโอ้ไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่าแล้วก็เป็นระยะเวลานา น, านมากล่ะเพราะทั้งสองท่านนี้มีสมาธิสูงมากค่ะทีนี้ว่าอย่างบุคคลที่คุณโยมติว พ, พูดมาเมื่อสักครู่นั้นเจ้าบ้านว่าที่เจ้าบ่าว ท, ที่เสียชีวิตไปเนี่ยเราก็คงจะต้องดูว่า ถ้าเผื่ว่าเขาไปเกิดในถ้าเขายังมีกิเลสอยู่ใช่ไห ม, มเขาคงจะไปเกิดใหม่ในที่แล้วแต่ที่ว่าจิตสุดท้ายเขาเป็นยังไง<ะ>ถ้าเผื่ว่าจิตสุดท้ายเขาเป็นจิตที่ไม่ดีเขาจะไปนรกเกิดใ น, นสารเปรตวิสัยอันนี้ก็จะไม่ดีแน่นั่นจะเป็นทุกข์ทรมารแต่ถ้าเขาเป็นจิต ด, ดีนะเป็นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเขาไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยโอ้ยมีความสุขมนุษย์มากเลยคอืมีความสุ ข, ขมนุษย์มากๆ อความสุขที่กิดจากตาหูจมูกลิ้นกายของเทวดานั้นละเอียดแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงความสุขของมนุษย์เลยเทียบไม่ติดค่ะก็ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนี้นะคะจะถามตัวเองว่าข่าวเขาเอามาลงทำไมเรืงสิทธิพิมพามาลงทําไมแต่กคิดว่าเรืงสิทพิมพ์นเนี่ยคงจะมีเจตนาเห็นว่าอยากจะให้คนเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยดูสิความสุขมันรออยู่ข้างหน้าความสุขสําหรับคนที่ตายเนี่ยนะคะอืม อีกไม่นานแล้วเหลืออีกขั้นตอนเดียวจะแต่งงานเนี่ยก็อย่างเสียชีวิตเสียเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทใช่คือทุกของคนตายเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดคืออันนี้ไม่ใช่ทุกของภรรยานะคุณโยมเตียวเราพูดถึงทุกขของคนตายคือคนตายเนี่ยจะได้สละจากความสุขทั้งปวงเลยทีเดียวเราจะมาพูดถึงทุกของคนตายมาต่อในวันพรุ่งนี้ก็ได้น้อใช่ค่ะเพราะว่า <c oughs> วันนี้จําเป็นจะต้องลาแล้ว <c oughs> เวลามันหมดนะคะอย่างไรก็ตาม อยากให้ท่านทิน้งท้ายไว้อีกนิดนึงค่ะนำธรรมะของพระพุทธองค์ไปปฏบิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดถวายเป็นพุทธชยันตีในวันนี้ด้วยธรรมะบทใดดูคะก็พูดถึงบทที่พระเจ้าบอกนี่เลยว่า อ, อ <c oughs> นี้เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ําำไรําพันธ์เพื่อทํานิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานทั้งสี่ นะคะก็รายละเอียดว่ายัางไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามอีกทีสําหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยแต่คนที่คุ้นเคยแล้วไปปฏิบัติเลยนะคะในมรดกการของพระคุณท่านเพูล่นค่ะเชี่ยพานค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสันนิยนสนทนาดิฉันสันนิยนนาทพงค่ะเราอยู่ในช่วงเวลาที่มีความอิ่มเอิบ ก, กับการที่ได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์แต่มันจะไม่เพียงแค่ อิมเออแบบผิวเผินเพราะรู้ถ้านำาอาไปปฏิบัติมันก็จะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนจะเป็นความรู้สึกแบบไหนถ้าท่านมีประสบการณ์มาบอกเราบ้างก็ได้เพียงแต่ว่าวันนี้ดิฉัคนคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธสวัสดีค่ะ